ขเขาเจริญพรคุณครูทุกท่านการที่เราจะดำเนินชีวังมีความสุข น, นะมันก็เพราะว่าเรามีความสามารถในการที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเราได้ทุกวันนี้เนี่ยความทุกจังหนึ่งที่เกิดขึ้นนะกับคนเราก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เท่าว่าพวกเราตอนนี้มีความสุขสบายดีนะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ย นั่นก็เป็นเพราะว่าร่างกายเรานยังมีสิ่งหนึ่งที่ทำงานได้ดีสิ่งนั้นเราเรียกว่ากลุ่มคุ้มกันภูุ่มคุ้มกันเนี่ยมันช่วยทำให้ร่างกายของเราปราศจากความเจ็บป่วย ชาว่าคนเราภูมิคุ้งกันบดพร่องอันนี้มีปัญหาแล้วหรือถ้าว่าภูมิภุ่งกันทำงานได้ไม่ดีเนี่ยเราก็จะป่วยรอบตัวเราเนี่ยมันมีเชื้อโรคมากมายแต่หาแต่ที่เรา ยังไม่เป็นอะไรนะเพราะภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเนี่ย้วก็ทำงานได้ดีเชื้อโรคอะไรก็ตามที่เข้ามาในร่างกายเราจะเป็นเชื้อวัดเชื้อฮิววาวันโร่ได้สามารถเข้ามาในร่างกายของเราได้ผ่านลมหายใจบ้างหรือผ่านการสัมผัสบ้าง แต่คนเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ความทุกข์กายที่เป็นภยัยคุกคาม ต, ต่อความผาสุขของเราเช่นความเจ็บป่วยเท่านั้นนะมันยังมีความทุกข์ใจซึ่งทำให้เราเนี่ยอยู่ร้อนนอนทุกข์แล้วคนสมัยนี้เนี่ย แม้ว่าจะมีความสุขสบายทางกายมากมายเพียงใดแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีความทุกข์น้อยลงเลยคนสมัยนี้เนี่ยเมื่อเทียบคนสมัยก่อนเนี่ยอาตอมาเชื่อความทุกข์ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ แต่บาที่สมัยนี้เนี่ยมีความสุขกายเยอะมันก็น่าคิดนะคนสมัยนี้มีความสุขกายเนี่ยมากกว่าสมัยก่อนแต่ทําไมชีวิตเก็ยังมีความทุกข์ไม่ได้น้อยไปกว่ากันเลยอาจจะมากกว่าด้วยซ้ํำ น, นะอันนี้เพราะอะไรนะก็เพราะมีความทุกข์ใจ คนสมัยนี้เนี่ยความทุกใจเนี่ยถ้าเที่คนสมัยก่อนแล้วจะมาเที่ยวมากกว่าอันนี้เราดูได้จากสถิตินะผู้ป่วยด้วยโรคจิตโรคประสาทและที่สําคัญคือว่าความเครียดคนสมัยนี้มีความเครียดมากเครียดคนสมัยก่อนเยอะ ทำไมถึงเครียดในเมื่อชีวิตเนี่ยนะมีความสุสบายกว่าเมื่อก่อนไม่ต้องไปห่วงกังวลเรื่องความอยู่รอดนะเดี๋ยวนี้จะไปไหนมาไหนเราก็ถ้าจะไม่ต้องเหนื่อยลนะเรานั่งรถเราได้ใชมืวมความสะดวกมากมายแต่ทําไมคนอย่างนี้เครียดมาก แล้วความเครียดเนี่ยนะมันก็เป็นเหตุผลสำคัญนะที่ทําให้เกิดความติดไข้ได้ป่วยคนเดียวนี้เนี่ยเราไม่ได้เจ็บป่วยเพราะโรคติดเชือ้อเราไม่ได้เจ็บป่วยเพราะเชื้อที่มันมาจากข้างนอกแต่ส่วนใหญ่เราเจ็บป่วยเพราะความเครียดในดใจิตใจ มีคนเขาเขาทำมีการวิจัยพบ ว, ว่าสาเหตุที่ทำให้คนป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยหรือไปหาหมอเนี่ยประมาณหกสิบเจ็ดประมาณเจ็0สิบแปดสิบเปอร์ซนตเนี่ยล้นเกี่ยวความเครียดไม่ทางแต่ก็ทางหนึ่ ในประเทศอังกฤษเนี่ยมีผู้ป่วยถึงหนึ่งในสามเนี่ยที่มีอาการอย่างชัดเจนในทางกายเช่นแน่นหน้าอกนะหรือว่าแม้กระทั่งปวดเรื้อรังหรือว่า ถึงกับชักถึงกับตาบอดแต่หาสาเหตุทางกายไม่พบคือไม่มีความผิดปกติทางกายให้ใ ห, ให้จับได้ซึ่งก็มีเหตุผลเดียวคือมีอาการป่วยทางจิตซึ่งก็รวนแต่สัมพันธ์กับความเครียด อันนี้ถ้าจะอธิบายว่าทำไมบุงคนเครียดมากเนี่ยก็ต้องตอบว่าเป็นเพราะว่าภูมิคุ้มกันจิตใจมันบกพร่องนะจิตใจเรานี่ก็เหมือนกับร่างกายนะมีภูมิคุ้มกัน เดีย๋ยนี้เนี่ยมันมีนดุริพลภูขามนะของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ภยัยูขามทางร่างกายมันไม่ใช่ภยัยูขามแต่ภายนอกนะแต่เป็นภยัยูขามที่เกิดขึ้นในใจพระเจ้าตรัสว่ามันมีอันตรายอยู่สองชนิด อ, นอันแรกคืออันตรายที่เปิดเผย ก็ได้แก่สิงสาราศัตว์นะคนที่มุ่งร้ายนะหรือว่าภายจากธรรมชาติตจุลินทนียอาหารที่เป็นพิษอีกอันนึงคืออันตรายที่ปกปิดอันตรายที่ปกปิดก็คืออันก็หมายถึงเนี่ยความโรคความโกรธ ค, ความความพยาบาทความอิจฉาความหลงตัวลืมตน แล้วเนี่ยเืออนตรายที่ปกปิดที่มันทำใหนะ้เกิดความทุกข์ขึ้นมาัวนนี้เราไปสนใจนะกับอันตรายที่เปิดเผยหรือไปสนใจกับการพยายามทำให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะมันราบรื่นไม่มีปัญหาแล้วก็เกิดความสะดวกสบายขึ้นมา นะเรามาีเครื่องปรับอากาศนะที่ทำใหนะ้ความร้อนนะจากอากาศภายนอกเนี่ยมันมารบกวนเราไม่ได้แต่ว่าเราไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญนะกับ อ, อันตรายที่ปกปิดนะที่มันสามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะอยู่ในเครือหาดแม้ว่าจะมีเงินทองมากมายก็าตามความทุกข์ใจเนี่ยเรามักจะคิดว่าเป็นพเอเกิดจากภายนอกแต่ร้อนอากาศหนาวหรือว่าเกิดจากการกระทําของผู้คนแวดล้อม หรือมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะภูมิคุ้มกันจิตใจของเราเนี่ยบกพร่องหรือว่าไม่ทํางานหรือว่า อ, อ่อนแอมากกว่ามันก็เมื่อความเจ็บป่วยนะแล้วคนคิดว่าความเจ็บป่วยเกิดจากเชื้อโรคแต่ว่าที่จริงเนี่ยรอบตัวเราก็มีเชื้อโรคเรีย ไ, ไปหมด ขณะนี้รอบตัวเรามีเชื้อโรคนะมากมายแล้วก็มีเชื้อโรคในร่างกายเราด้วยก็เคยพบ ว, ว่าประมาณเนี่ยค น, นยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งเนี่ยหรือหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าตวรวจร่างกายก็จะพบเชื้อวัณโรคแต่ทำไมไม่ป่วยก็เพราะมันมีภูมิคุ้มกันะที่ดีเชื้อโรคมีรอบตัวเช่นวัด นะหรือว่ า, าวันโรคแรงต่างที่สามารถจะแพร่เข้ามาสู่ร่างกายเราแต่แล้วไม่เป็นอะไรเพราะว่าเรามีภูมิคุ้มกันทุกวันนี้เนี่ยพบแล้วว่ายอมรับแล้วว่าเราไม่สามารถจะทำให้เชื้อโรคหมดไปจากโลกได้สามัยก่อนนะประมาณสักห0สิบปีที่แล้วเนี่ย หรือ70ิปีที่แล้วมีความเชื่อว่ า, าโรคนี้จะปราศจากเชื่อโรคโดยเพราะเชื่อที่ทำให้คนตายเพราะ็เชื่อในอำนาจของวิทยาศาสตร์จะสามารถจัดการเชื้อโรคให้หมดไปได้โดยเพราะเมื่อเราค้นพบยาปฏิชีวนะ มียาฆ่าเชื้อมากมายแต่หลังจากที่พยายามกำจัดเชื้อโรทั้งทำให้เชื้อเนี่ยบางชนิดเนี่ยมันสูญพันธ์นไปแต่ทําให้สําเร็จอยู่เป็นบงับงบางชนิดนอกจากไข้ทรพิษที่สูญพันธ์นไปจากโลกแล้วนะมันไม่มีเชื้อตัวไหนที่มันยังที่เราจะสามารถเอาชนะมันได้ส่วนเพราะเชื้อโรคเนี่ยมันมันมีการกลายพันธุ์มีการพัฒนาทําให้ดื้อยา มาลาเรียวันโรคเนี่ยนะมันตื้อยามากเราพัฒนายาอย่างไงไปเนี่ยมันก็สามารถจะกนะ้าวเกินพัฒนาการของยา น, ยงน้อยหนึ่งก้าวเสมอตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ยอมแล้วละว่าไม่มีทางที่จะกวาดล้างโรคให้หมดไปจากโลกได้ สิ่งที่เราต้องทําคือว่าเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันโดยที่เราไม่เจ็บไม่ป่วยเราจะอยู่กับโรคที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคได้อย่างไรนะอยู่ได้ถ้าเรามีภูมิคุ้มกันในร่างกายนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะมันก็มีโรคบางชนิดนะที่มันมันเล่นงานภูมิคุ้มกันร่างกายเราโดตรงนะเช่นโรคเชื่อเอชไ ถ้าเป็นเมื่อไหร่นี้ก็หนักเลยแหละก็จะเป็นโรคสารพัดโรคแทก ซ, ซ้อนแต่โดยทั่วไปเนี่ยนะทุกวันนี้การที่เราอยู่ยังมีความปกติสุขได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะว่ารอบตัวเราไม่มีโรคไม่มีเชื้อโรคนะแต่เป็นเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีในทอนเดกนกานี่ยการที่เรามีความผาสุกทางใจปราศจาก ความเพลิงในจิตใจเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกอย่างรอบตัวเราจะต้องเลือเลือกเฟรเราจรึงจะไม่มีความทุกข์ใจเราไม่มีทางทำอย่างนั้นได้เหมือนกับที่เราไม่สามารถทำให้รอบตัวเราเนี่ยปราศจากเชื้อโรคได้เชื้อโรยังอยู่กับเราอยู่รอบตัวเราแต่เราไม่ป่วยได้ฉันใดเนี่ยแม้จะมีความทุกข์อยู่นะเกิดขึ้นกับเรา แต่ว่าใจเราไม่ถูกอันนี้ทําได้ใจเราไม่ทุกได้เพราะ เ, ร า, ะเรามีภูมิคุ้มกันในจิตใจภูมิคุ้มกันในร่างกายจะเกิดขึ้นจากอะไรจะเกิดขึ้นจากการที่เร า, เ อ, าออกกำลังกายการที่เรากินอาหารที่ถูกสุลักษณะการที่เรามีอากาศที่บริสุทธิ์น้ําสะอาดนะ มันทำให้เรามีภูมิคุ้ม ก, กัน ร, ร่างกายที่ดีแต่ถ้าไม่พอนะภูมิคุ้ม ก, กัน ร, ร่างกายเราจะเข้มแข็งได้เนี่ยมันต้องเจอมันต้องเคยปราปราหรือว่าปราดาบหรือว่ารับมือกับเชื้อโรคด้วยภูมิคุ้ม ก, กัน ร, ร่างกายมันทำงานได้ดีเนี่ยเพราะว่ามันเคยเจอเชื้อโรค แล้วทาให้มันรู้วิธีทําให้มันจําได้ว่าไอ้ตัวไหนเนี่ยที่เป็นเชื้อโรคที่เป็นอันตราย <Okay. S 1> พวกเราคงทราบใช่ไหมว่าวิธีสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายก็คือการฉีดวัคซีนวัคซีนคืออะไรวัคซีนคือเชื้อที่ทําให้ตายหรือว่าเชื้อเชื้อที่ทำให้มันอ่อนกําลังทําไมต้องฉีดเชื้อลงไปใ น, นร่างกายก็เพื่อจะได้สร้างภูมิคุ้มกันกระตุ้นภูมิคุ้มกันเนี่ย แต่สมัยก่อนไม่มีออกซีนนี่เขามีภูมิคุ้มกันร่างกายยังไงก็เกิดจากการที่เขาใช้ชีวิตเนี่ยนะกับธรรมชาติแล้วก็เจอเชื้อโรคจากตั้งแต่เด็กเลยเช่นตอนเป็นเด็กนี่ก็เล่นเล่นเล่นเล่นทรายนะเล่นดินนะอาบน้ำคลองนะในดินนี่ก็มีเชื้อโรคบังนะทีไปไปอยู่กับสัตว์ ไอสัต ก, ก็มีเชื้อโรคนะแล้วก็น้ําที่เป็นน้ําคลองเนี่ยก็มีเชื้อโรคแต่การที่มันเข้าไปสู่ร่างกายต้องตั้งแต่เล็กเนี่ยเทเลนิกทีลหน่อยมันทาให้เราเกิดภูมิคุ้มกันสมัยนี้เนี่ยเด็กหลายคนเนี่ยจะป่วยด้วยโรคที่มันแสนจะธรรมดาสามัญแต่กาลายเป็นโรคใหญเ่เช่นโรคมือเท้าปาก ทอนนี้เป็นกันเยอะมากมันเป็นโรคที่คนสมัยเด็กสมัยก่อนไม่เคยรู้จักเดี๋ยวนี้โรคแพ้ก็เป็นเยอะแพ้หือทอหือแล้วก็แพ้แล้วก็หือทอเหตุผลนื้อเนื้อก็คือว่าเป็นเพราะเด็กเนี่ยเราเนี่ยเขามีชีวิตที่เรียกว่าสะอาดถูกอนามัยมากนะเรียกว่าตั้งแต่เล็กไม่ค่อยได้เจอเชื้อโรคเท่าไหร่พ่อแม่ีกวดขันเรื่องความสะอาดมาก เด็กก็เลยไม่มีภูมิไม่มีภูมิคุ้มกันมากเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยได้เจอเชื้อโรคเดี๋ยวนี้จะให้ไปเล่นน้ำในคลองก็ไม่มีเล่นแล้วจะเล่นกับดินกับทรายพ่อแม่ก็ไม่ให้เล่นบางทีไม่ให้ไปแตะสัตว์ด้วยสมัยที่มันมีไข้ทรพิษนะที่ยังอ ล, ะละบาดอยู่เนี่ย ก็เพราะว่าคนที่อยู่ในใ น, ในทุ่งในไร่นะที่เลี้ยงที่เลี้ยงวัวเนี่ยผู้ที่ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะเพราะว่ามันได้รับได้รับเชื้อนะจากเพราเด็กพราคนเหล่านี้ได้รับเชือนะเเเช้อจากพวกพวกวัวพวกปศุสัตว์นะจนกระทั่งเนี่ยพอมีทรารกทิ่มาเนี่ยเฉยไอคนที่ไม่ได้ทําฟาร์มไม่ได้อยู่แต่ต้องสัมผัสกับสัตว์นี่ก็ตายกันระนาวเนี่ย เนี่ยคือเหุผที่ทำให้เอ็ดเวิร์ดเจนนิงเนี่ยเขาพบเขาพบาเ่าพบเซรั่ม um นะในการที่ทำให้ป้องกันโรคทรัพิตได้เด็กสมัยนี้เนี่ยนะอยู่กับสิ่งแ่าล้อมที่มันได้รับการทำความสะอาดถูกอนามัยมากไม่ได้เจอเชื้อโรค พอเดี๋ยวนี้พอเจอเชื้อโรคเข้าไปตูมเดียวป่วยเลยเอ็นเดี๋ยวนี้ในในเมืองนอกในยุโรปในอเมริกาเนี่ยเขาจะรณรงค์ให่พ่อแม่เนพาเด็กเนี่ยไปเล่นกับดินกับทรายบ้างคลุกฝุ่นบ้างนะอย่าไกลัวเด็กเวลาเด็กเนี่ยเล่นกับหมาถ้าหมามถ้าหมาแน่ใจไม่มีเชื้อไข้ทะรกไม่มีเชื้อโรคหมาบ้านเนี่ยการไปสัมผัสกับหมาเนี่ยนะดีเพราะว่า เชื้อโรคที่เข้าไปเท่านี้เท่หน่อยเนี่ยนะมันช่วยเดี๋ยวนี้ก็รณรงว่าเนี่ยว่านะอย่าไปอย่าไปลักงสะอาดมากนะต้องไปคุ้มครีกับฝุ่นกับอะไรมีการรณรงใช้คำว่า d i r t is good d i r t ว่าความสปกปรกหรือว่าฝุ่นนั่นนะฝุ่นน่ะดี d i r t is good นะไม่ใช่เป็นสิ่งที่รังเกียจ นี่เรื่องความนี่คขาเรื่องความป่วยกายป่วยใจก็เหมือนกันนะคนเราเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันในจิตใจเนี่ยดีเนี่ยนะไม่ไม่ทุกง่ายไม่ทุกใจง่ายก็เพราะเขาเจอนะเจออะไรเจอความยากลำ บ, บากเจอความทุกคน เ, เราจะมีภูมิคุ้มกันความทุกได้ดีต้องเจอความทุกนะเจอความทุกข์บ่อยๆนะแม้กระทั่งความผิดหวังเราก็ทําให้เด็กเนี่ยเวลาเจอ สิ่งที่ไม่สมหวังเนี่ยเขาก็สามารถจะ อ, อยู่กับมันได้เด็กหลายคนเนี่ยที่เขาที่เขาได้รับทุกอย่างในชีวิตพอนะเขาเจอความผิดหวังเนี่ยซึ่งมันเป็นธรรมดาของชีวิตเขาจะเสียสูวนเลยโดยวว่าจะเป็นความผิดหวังอันใหญ่ๆแต่มันไม่ได้ใหญ่มาก เมื่อเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีมี ม, มีนักเรียนม .6 พ่อแม่ก็ร่ำรวยมากและแกเป็นคนที่พ่อแม่ก็ตามใจทุกอย่างถึงเวลาเนี่ยมีคามหนึ่งจะสอบจะสอบเข้ามาเชไาลนะแกก็ บอกว่าบอกแม่ว่าบอกพ่อว่าอยากได้รถอยากได้รถรถเบนซ์เลยนะพ่อก็ไม่ให้ไม่ได้ให้นี่ก็ไม่ได้ให้ให้ให้ขาดไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่ปฏิเสธอไม่มีเยื่อใยนะแต่บอกว่าได้แต่ถ้าต้องสอบเข้าให้ได้ก่อนพ่อจะซื้อให้แกผิดหวังมากนะที่ถูกปฏิเสธนะี่ยและฆ่าตัวตาย เพียงเพราะว่าพ่อไม่ซื้อรถเบนท์ให้สําหรับเด็กที่นะเข า, าถูกพ่อหรือถูกแม่ในประเทศเนี่ยนะไม่ให้อะไรง่ายๆเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีทางค่าตัวตายหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่พ่อแม่จะไม่ซื้อให้เขาเนี่ยก็คุ้นแล้วทําใจได้เมื่อส0ปีก่อนมีอีกรายหนึ่งนะเป็นเด็กมัธยม โรงเรียนดีด้วยเกิดไปรักไปชอบกับผู้หญิงนะพ่อแม่ก็เป็นห่วงเพราะการเรียนก็เสียก็บอกให้เลิกคบนะกับผู้หญิงใครจะกันพ่อแม่กับผู้หญิงเนี่ยก็ก็คิดเหมือนกันนะก็สั่งให้ลูกตัวเนี่ยอย่าไปอย่าไป เด็าผู้ชายเพราะลูกเงก็ทำท่าใจแยนะ่ผู้หญิงก็ทำตามนะก็กระท่าเขินห่างจากผู้ชายผู้ชายนี่ทำใจไม่ได้นะโกรธมากผิดหวังเสียใจขับแค้นเอาปืนของพ่อเนี่ยไปไล่ยิงผู้หญิงเนี่ยถึงในบ้านผู้หญิงหนีได้ลุงเนี่ยนะ ขวางเอาไว้ลูง ก, ก็ตายแล้วก็จะไปยิงผู้หญิงมีงานนั้นตกลงก็มีคนตายสองคนแต่ผู้หญิงไม่ตายนะก็มีคนสงสยัยว่าทำไมเด็กคนนี้ก็เป็นเด็กที่ไม่ได้เด็กเกเรนะเป็นเด็กเรียนดีหรือว่าเป็นครอบครัวนี้ก็ได้รับความอบุ่นไม่ใช่เป็นเด็กพวกอาชีวะทำไมมันทำอย่างนั้นได้นะวก็พบว่าเนี่ยทาอธิบายก็คือว่า เป็นเพราะเขาเนี่ยไม่เคยเจอความผิดหวัง mm. เขาได้ทุกอย่างมาตลอดแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้แล้ววันหนึ่งเขาผิดหวังผู้หญิงเนี่ยนะหล่นหายจากเขาผู้หญิงที่เขารักสติแตกเลยนะแล้วก็โกรธไปทำร้ายคนอื่ง คนนึงผิดหวังฆ่าตัวตายคนนึ่งผิดหวังแล้วไปฆ่าคนอื่นอันะ น, นี้เรียกว่าพ่อไม่มีภูมิคุ้มกันนะความทุกข์จิตใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน ะ, ะถ้าเราเนี่ยต้องการให้ต้องการถ้าเราต้องการมีความสุขหรือต้องการให้ลูกหลังเราเนี่ยมีความสุขห่นะางไกลจากความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเร า, เราจะต้องทําด้วยการทําให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่ราบรื่นสะดวกโยทิน นะเรียกว่ า, เ, าเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตประการที่หนึ่งเป็นไปไม่ได้ประการที่สองคือว่ามันจะเป็นคนเสียต่อตัวเ็าเองตัวเราก็เช่นเดียวกันนะถ้าเราไม่มีภูมิันในจิตใจนะเราก็คงจะหาความสุขในชีวิตยากเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ย ยังไงเนี่ยยังไงก็ต้องเจอทุกยังไงยังก็ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ถูกใจเหมือนกับที่รอบตัวเราเนี่ยเราจะทํายังไงยังไงเนี่ยมันก็ต้องมีเชื้อโรคอยู่บันยางค่าเราไม่สามารถที่จะ ก, กําจัดเชื้อโรคได้ในโรงพยาบาลที่มียายากําจัดเชื้อที่ดีสุดในโลกเนี่ยลองไปดูในโรงพยาบาลเหล่าเนี้ยเชื้อโรคแรงทั้งนั้นเลย แล้นี่ที่คนตายเพราะโรคติดเชื้อเนี่ยเยอะมากแต่ก่อนเนี่ยไม่ค่อยเป็นเพราะว่าพอมีพอมีโรคติดเชื้อเนี่ยใช้ยาพวกปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อเนี่ยจัดการเนี่ยสำเร็จทุกลายแต่เดี๋ยวนี้เชื้อมันแรงเชื้อมันแรงเนี่ยให้ยาไปเนี่ยไม่มีความหมายแต่สิ่ง ท, ที่จะเอาอยู่นะี่คือลูมคุ้มกันในร่างกายของเราไม่ใช่ยาที่จะเข้ามากาจัดเชื้อ ที่เราก็เหมือนกันนะเราไม่สามารถที่จะทําทให้มันสะดวกราบรื่นมันจ่ต้องเจออุปสรรคเจอความสูญเสียนะเจอความไม่สมหวังผู้นั่คือต้องเจอความทุกข์อยู่วันยังค่ำในบทสวดมนต์ที่พระสวดมนต์ทุกเช้าเนี่ยวกเราจะเคยได้ไ ด, ได้ได้สาธยายจะมีความว่าทุกขโทติ น, นา เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกข์ขับเบรตาเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วความทุกข์มันอยู่ในตัวเราเราก็อยู่เบื้องหน้าเราไม่มีทางหนีทุกข์กันแต่ว่าใจไม่ทุกข์นี่ทําได้อะไรที่เป็นความทุกข์ที่มันอยู่ในตัวอยู่แล้วเราต้องเจออยู่เบืา้างหน้าอย่างน้อยๆเนี่ยคือความแก่ความเจ็บความป่วยความพลาดพลาดสูญเสียนะไอ้พวกนี้เราต้องเจอแน่นะ แต่จเจอแล้วเนี่ยทำทำไงใจจะไม่ทุกข์ทำได้นะถ้าเรามีพุ่งกานจิตใจนะพอมันพอเอ่อพอมีความเกิดความปวยเกิดขึ้น เ, เราไม่ทุกข์ใจพอมีความไม่สมหวังนะอุปสรรคใจเราก็เป็นปกติได้นะพุ่งการในจิตใจที่สำคัญนะก็คือการที่มีสติรู้ทัน นะมีสติรู้ทันอารมณ์และความคิดที่มันเกิดขึ้นคนเราทุกเนี่ยไม่ใช่ทุกเวลาเราทุกใจเนี่ยเราไม่ได้ทุกเพราะเราไม่ได้ทุกเพราะสิ่งอื่นนะเราไม่ได้ทุกเพราะเขาพูดไม่ดีกับเราแต่เป็นเพราะเราไม่มีสติรู้ทันนะความทุกอารมณ์ และความคิดที่เป็นลบต่างหาะยกตัวอย่างง่ายๆนี่นะสมมุติว่ามีเสียงดังนะมีเสียงดังอยู่ข้างนอกจะเป็นเสียงก่อสร้างจะเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงรถสิบนละ้อเสียงเครื่องดูดฝุ่นหรือแม้แต่เสียงโทรศัพท์ที่ดังในห้องนี่หลายคนพอได้ยินเสียงเหล่านี้เนี่ยหมุดหงิดขึ้นมาเลย และถามว่ามุ่หยิดเพราะอะไรทุกคนจะตอบเป็นเสีย ง, งกันว่าเป็นเพราะเสียงดังแต่ที่จริงเนี่ยยังตอบไม่ถูกมันเป็นเพราะใจเราต่างหากใจเราวางว่าไม่ถูกหรือผู้อย่างคือใจเราไม่มีสติพอตัวอย่างที่ธรรมาชอบนามานามากล่าวเนี่ยคือตัวอย่างที่ตัวอย่างที่เป็นกระชีดของหลวงปู่บุตา มูดาเนี่ยท่านเป็นพระ เ, เรียกว่ามรณภาพไปตั้งแต่เมื่ออายสิปีที่แล้วอตอนนี้มรณภาพท่นก็อายุร้อยปีคนเดีตอนที่ท่านอายุแปดสิบก็คือประมาณสักห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยท่านได้รับมิมนให้ไปไปฉันที่บ้านของโยมคนในกรุงเทพฉันเสร็จ ท่านก็จะกลับวัที่สิงห์บุรีจะโยมเนี่ยนะเห็นว่าท่านชราแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยพักนะจำวัดนะเอหลังสักหน่อยก่อนก็หาห้องให้ท่านนะเอหลังก็มีลูกศิษย์นะมานั่งเป็นเพื่อนเวลาลูกศิษย์จะคุยกันเนี่ยก็กระซิบกระซาบเพราะไม่อยากรบกวนท่านแต่เพราะว่าห้องที่ติดกันเนี่ย มันเป็นร้านอร้านโชห่วยร้านโชห่วยเนี่ยเจ้าของนี่เป็นอาศิลป์คนจีนสมัยก่อนเนี่ยก็จะสวมเกี้ย่เวลาเดินเนี่ยก็จะมีเสียงดังดังเข้ามาในห้องที่หลวงปู่บุตรจําวันลูกศิษก็ไม่พอใจมีคนอุู้ดว่านียเดินเสียงดังจังไม่เก่งใจกันเลยหลวงปู่ท่านหลับตาแต่ท่านไม่ได้หลับนะ พอท่านได้ยิงก็เลยท่านก็เลยเปิดเผยขึ้นมาว่าขอเดินเขา อ, อยู่ดีๆเราเอาหูไปลองเกี้ยเขอเองเสียงเกี้ยเนี่ยไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเอาหูไปลองเกี้ยแล้วทําไมผูถึงไปลองเกี้ยก็เพราะไม่มีสตินะไม่ชอบเสียงเกี้ยแต่กัรปล่อยให้จิตไปจดจ่อยที่เสียงเกี้ยเราไม่ชอบเสียงดังเสียงมอเตอร์ไซค์ข้างนอก แต่เรากลับปล่อยใจไปจดจ่อที่เสียงนั้นเราไม่ชอบเสียงโทรศัพท์ที่ดังในห้องนี้แต่เรากลับเอาใจไปจดจ่อที่เสียงแล้วก็พอดียินก็เกิดควา ม, มหีควางมีแล้วไม่มีสติรู้ทันมันก็ทุกข์เลยคนเราทุกข์เพราะเห็นนี้นะทุกข์ใจเนี่ยตอาไม่ทุกข์ใจเพราะสิ่งภายนอกนะแต่ว่าเป็นเพราะ เราวางใจไม่ถูกเราไม่มีสติเวลามีคนต่อว่าด่าทอเราเราโกรธแต่ที่จริงเนี่ยนะเราไม่โกรธก็ได้ถ้าเราเนี่ยไม่สนใจคมพูดของเขาแม่คอ า, คามำพูดของเขาเนี่ยมาทิ่มแทงจิตใจเราแต่สังเกตไหมเวลา เราได้ยินใครว่าเราเนี่ยนะเราไม่ชอบคำด่าเข า, เาก็กลับตรดจ่ออยู่กับคำดา่าแล้วเอาคำด่าว่าเนี่ยมาทิ้มแทงตัวเองทิ้มแทงจิตใจของเราคิดซ้ำคิดซากนะว่าไปเวียนมาอยู่แต่ไอ้อคำเหล่านั้นนหะไม่ชอบยิ่งไม่ชอบยิ่งคิดเนี่ยยิ่งนึกถึงมันจนกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วจะโทษใคร มัน ค, คล้ายๆกับนะพวกเราคงสร้ำน่ะลิงเนี่ยนะมันไม่ชอบกับปิแต่ลิงเนี่ยบางทีมือถูกกระปิถูกคนแกล้งนะโยนข้าวเหนือให้มันมันเคี้ยวข้าวเหนือเพราะว่าข้างในเนี่ยมันยัดยัดกระปิเอาไว้มันก็มือก็เพื่อนกระปิลิงไม่ชอบกับปิลิงจะทํายังไงลิงก็เอามือเนี่เอานิ้วเนี่ยถู ถูกับพื้นถูกับหินถูกับเปลือกไม้ถูแล้วก็มาดมยังมีกลิ่นอยู่มันก็จะถูไปถูไปจทั่งเป็นแผลจนบวบว่าถ้ายังมีกลิ่นอยู่มันก็ยังถูนะเลือด ก, ก็ไหลหน่าสงสารคําถามคือว่าอะไรทําให้ลิงเนี่ยมีแผละอะไรทําให้ลิงเนี่ยบวบว่างถ้าตอบว่ากระปีนี่ไม่ใช่นะที่จริงคือความเกลียดกับปี กระเพไม่ทําให้ปีนเป็นแพลแต่พอเกลียกระเพาเนี่ยโวมายว์ติง้งยิ่งต้องกําจัดกลิ่นกระเปาความเกลียกับเพาะกินไม่ชอบกลิ่นมั น, นทาให้ลิงยพยายามถูถูถูถูถจนมือเนแผลความเกลียกับเพที่มีในใจลิงอย่างหาวที่ทําให้ลิงเนี่ยนะมันทําร้ายตัวเองความทุกข์ใจคนเราก็เหมือนกันนะความทุกข์ใจไม่ไดเกิดจากสิ่งภายนอก แต่มันเคยจากใจที่ไม่ยอมรับใจที่ผักใสเช่นพอเราไปผักใสเสียงดังเราเรามีอาการยินร้ายเราทุกเลยรถติดเนี่ยไม่ได้ทำให้เราหงุดหงิด น, นะรถติดมันทำให้เราแค่เสียเวลาแต่ถ้าเราหงุดหงิดจนเสียอารมณ์เนี่ยเป็นพ่อใจเรา ช่ไปคิดปรุงแต่งว่าเนี่ยถ้าติดนานกว่านี้จะไปที่ไปจุดหมายไม่ทันไปส่งลูกไม่ทันนะหรือว่าตกเครื่องบินติดนัดเพื่อนไอ้พวกนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะแต่คิดไปแล้วพอคิดไปแล้วเป็นไงน ง, งูมีกรัวันกระ ว, วายรถตดเตดนี่ยไม่ได้ทำให้เรางหงุดนงินนะ แต่พราใจที่ฟุ้งปุงแต่งไปวาดภาพว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันทำให้เรามีโกรว์กรวายแต่คนมักจะมองไม่เห็นไม่เห็นตรงที่ไปขี้ว่าเนี่ยที่หงุดหงิดเพราะรถติดเพราะสัญญาณไฟจรา จ, จรมันแดงนางไปแต่ไม่ได้นึกว่าเป็นเพราะใจเราเป็นเพราะการที่เรายอมรับสภาพที่รถติดไม่ได้ เมื่อ40ปีก่อนหลวงพ่อชาในสุพัทโทเนี่ยท่านไดน้มนมลให้ไปแสดงธรรมที่ประเทศอังกฤษหลวงพ่อสุมเมโทเนี่ยก็ตามไปด้วยนะเป็นท่านชาวอเมริกันเจ้าภาพจัดให้ท่านพักอยู่ที่วิหารแฮมสเตดกลางกรุงลอนดอนตรงข้าววิหารเป็นแหล่งบันเทิงมีผับมีดิสโก้มีบาร์ตอนค่ำค่เนี่ยนะขณะที่ หลวงพ่อเนี่ยพาพระไรยโยมเนี่ยนั่งสมาธิสี่สิบนาทีเนี่ยก็เป็นเวลาเดียวกับที่เสียงเพลงเป็นเวลาเดียวกับที่มีการเล่นดนตรีร้องเพลงเสียงมันก็ดังกระหึ่มมาจนถึงห้องที่พระกำลังทําสมาธิอยู่พระหลายรู่นนี่นั่งไปเป็นสุขเลยแต่หลวงพ่อชานีนั่งยิ้มนั่งสงบเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอนั่งสมาธิเสร็จโยมก็กกมา ผมเป็นเจ้าภาพมามาหาท่านแล้วก็บอกมาขอโทษที่เสียงดนตรีมารบกวนทําให้นั่งสมาธิไม่ได้ตลวงวชาตอบว่าไงตอบว่าโยมไปคิดว่าเสียงดนตรีรบกวนโยมที่จริงโยมมันไปรบกวนเสียงดนตรีดังหาโยมอ่ะไปรบกวนเสียงดนตรีนะเขาบองานมาว่ า, วาใจของโยมเนี่ยไปตะเลาะเบาแห้ไปไปผักสายเสียงเสียงมันก็เป็นดังทำไมเฉยเสียงมันก็ดังก็บทัพปูเรา แต่มันก็แทกใจเราที่ไหนเสียงไม่ได้เสียงมันดังกระทบผู้แต่มันก็แทกใจนะแต่เพราะใจเราจะไปทะเลาะ ก, กับเสียงนะไปยินร้ายนะไปเอะอะโวยวายกับเสียงนะใจเราต้องทางนะถ้าําใจทำงั้นได้ไงเพราะใจไม่มีสติไม่เห็นสติคืออาการที่รู้ทันใจนะ ถ้าเรารู้ว่าใจนีกนกาลังไปทะเลาะบอกแยงกระเสียงเนี่ยใจจะกลับมาเป็นปกติทันทีนะถ้าเรารู้สึกหรือถ้าเราเรารู้สึกว่าเออนะไอ้เสียงนี่มันก็ดีเหมือนกันนะใจเราก็ไม่ทุกขนะ์ถ้าเกิดว่าเราเกิดเออเพลงเพราะดีนะนะเราก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะใจเรายอมรับใจเราไม่ได้เป็นโรคกระเสียงนะั้น จริงๆเนี่ยคนเราเนี่ยทุกข์ใจเพราะเราไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเราไปผักสายเราไปยินร้ายกันมันก็จะว่าแต่เสียงเสียงเสียงดนตรีเลยนะเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่ยอมรับความเจ็บป่วยนะมันทรมานมากเลยนี่พิย ง, งกันติงแกเป็นมะเร็งนะอายุแค่สามสิบต้นต้นอายุก็ไล่ลกับพวกเรานี่แหละหรืออ่อนกับพวกเราด้วย เธอเป็นมะเร็กงกระเพาะปัสสาวะโอเธอตอนที่เธอรู้ว่าเธอเป็นที่เธอทําใจไม่ได้เลยนะเพะวมเกมะเร็งชเนี่ยมันเกิดเพื่อคนที่มีอยู่มากแลือคนที่สูงบุรีเธอไม่เป็นอะไรและเธอไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยมีความทุกข์เธอวีนเธอเบี่ยวนะกราดเกลียวใส่หมอแต่หลังจากที่ผ่านไปหนึ่งปีเนี่ยเธอนิ่งลง ไม่ใช่มะเร็งหายนะมะเร็งก็ยังลุกลามแต่ใจเธอเปลี่ยนแปลงไปใจเธอนิ่งเธอเพื่ไว้ดียเธอบอกว่าแม้ความจริงจะโหดร้ายโหดร้ายคือว่าเป็นมะเร็งแม้ความจริงจะโหดร้ายเนี่ยแต่การไม่ยอมรับความจริงต่างหากที่โหดร้ายกว่าเพราะมันเสมือนกับคุกที่ขงังหัวใจเราเอาไว้มะเร็งไม่ร้ายเท่ากับการที่ใจไม่ยอมรับมัน ใจที่บ่นว้ยวายที่โวยที่พายไม่ต้องไายต้องเป็นชั้นแต่พอใจยอมรับได้นะความสงบนะก็เกิดขึ้นกับจิตใจความกลัวยังมีอยู่แต่ใจสงบนะเธอเคยพูดว่ามะเร็งเนี่ยนะไม่ได้ทำให้รอยยิ้มคุณหายไป ความทุกข์ใจต่างหากที่มันทำนเข้าใจไหมซึ่งความพูดเนี่ยมันมีความหมายสองอย่างนะคือความหมายว่าคนเราเนี่ยนะเวลาเป็นมะเร็งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทุกข์กายมันทุกข์ใจด้วยไอ้ทุกข์กายนี่ไม่เท่าไหร่ไอ้ทุกข์ใจเนี่ยหนักกว่าทุกข์กายไม่ทำให้รอยยิ่มหายไปไอ้ทุกข์ใจต่างหากที่ทำให้รอยยิ่มหายไป และทุกใจเพราะอะไรทุกใจเพราะไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าคือวางใจไม่เป็นแล้วถ้าวางใจเป็นเนี่ยนะมันทุกแต่กายใจไม่ทุกเสียงดังก็ดังไปนะแต่ใจไม่เงยหยุรถติดนะแต่จิตไม่ตกอันนี้เียว่าเพราะว่าจิตเนี่ยมีภูมิคุ้มกันทำให้ความทุกข์ในจิต ถทำให้ความทุกข์นี้เข้ามาเล่นงานจิตใจไม่ได้เราเนี่ยไม่สามารถจะห้ามไม่ให้มีเสียงดังนะเกิดขึ้นไดนะ้ทุกครั้งไปเราไม่สามารถที่จะบังคับวงการที่ทุกคนจะพูดดีกับเราไม่ต่อว่าด่าทอเราเลยไม่ตําหนิติดเตี้ยเราเลยเราห้ามไม่ได้เราไม่สามารถที่จะบังคับให้ทุกอย่างให้การการของเราเนี่ยสําเร็จราบรื่นเป็นหมด เราทําย่างไรในส่วนมันก็มีสิ่งที่ไม่สมหวังไม่ถูกใจแต่ถึงแม้มันเกิดขึ้นนะถึงแม้มีความสูญเสียเช่นเสียทรัพย์เสียสุขภาพถึงแม่งานมีประสะแต่ว่าใจไม่ทุกข์เพราะใจเรามีภูมิคุ้มกันนะไม่ให้ความทุกข์เนี่ยเข้ามาเล่งานจิตใจหรือเข้ามาถึงจิตถึงใจเราได้ การเจริญการมีสติที่รู้ทันอารมณ์ความคิดนะเวลามันคิดลกอ่ะก็รู้ทันนะแล้วก็วางมางันละงเวลามันเิดความหงุดหงิดก็รู้ทันแล้วก็วางมันลงเวลามันมีเสียงดังอ่ะก็รู้แล้นะวก็กำลังหูไปลองเกีย้ยหรือเอาหูไปลองค้อนล ะ, ะดึงกลับมาใจก็ไปปกติแล้วพอเราพอเราพอเรา พอเราสามารถจะวางใจได้เป็นนะเราเจออะไรก็ไม่ทุกง่ง่าย น, นะเจอความเจ็บปวดถึงตายก็ไม่ทุกยิ่งถ้าเราเกิดว่าเราเนี่ยนะรู้จักมองอะไรในแง่บวกบ้างนะมันก็ยิ่งทำให้ไอ้ความทุกเนี่ยความไม่สมหวังหรือว่าสิ่งไร้ๆายที่มากระทบตัวเราเนี่ยเราไม่สามารถจะกระเทือนไปถึงใจได้ คนลาเนี่ยนะมักจะมองลบนะมองลบในที่นี้เนี่ยก็หมายความว่าไปจดจ่อยอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นเช่นเวลาเงินหายเนี่ยนะเราก็นึกถึงแต่เงินที่มันหายแล้วเราก็ยิ่งทุกข์ยิ่งเสียใจแต่เราเคยมองเคยมองบ้างหรือเปล่าโอ้ เรายังมีเงินอยู่เยอะเลยไอ้สิ่งที่หายไปมันยังน้อยกว่าสิ่งที่เรายังมีอยู่มีเศรษฐีคนหนึ่งนะแกะถูกโกงไปหกสิบล้านแวก็เสียใจอยู่พักใหญ่สองสาวันพอวันที่สามที่สี่เธอก็ยิ้มได้เพื่อนก็ถามว่าเธอยิ้มได้ยังไงนะสามีเธอยังยังเสียใจยังยังเศร้าอยู่เลยเธอก็บอกวานนี้ก็ มันนึกได้ว่าเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีอาหารอร่อยกินนะก็ยังมีบ้านที่หลับหลับนอนได้สบายบ้านเธอเป็นคือเรื่อหาชีอิตยังมีความสุขอยู่ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ทุกไม่ได้สุขน้อยลงเลยนะแล้วจะทุกข์ไปทําไมนะคือแทนที่เธอจะไปสนใจจดจอ่อเงินหกสิบล้านที่หายเธอหันมาให้ความสําคัญหันมามองมาตรดจ่อรับรู้สิ่งที่เธอยังมีอยู่ คนเราเนี่ยนะถ้าเรามองแต่สิ่งที่เสียไปเนี่ยอันนี้เรามองลบแต่ถ้าเรามองเห็นสิ่งดีๆที่ยังมีอยู่อันนี้เรามองบวกนะแล้ถ้าเรามองบวกเป็นเนี่ยเราไม่ทุกง่ายนะแม้เวลาเกิดความสูญเสียเมื่อปีห้าสามเนี่ยนะมันมีเหตุการณ์จราจล น, นะกลางกลุง ม, มีการเผา หนะ้างสปปรรพสินค้ า, าสามสี่แห่งในกรุงเทพเช่นสยามสแควร์ลาดประสงคร้านสุ ก, กี้นม .K เนี่ยนะโดยลูกหลงไปสี่สาขานะต้องปิดรายได้เนี่ยหายไปเนี่ยคงเป็นล้านร้านเลยแล้วก็ไอ้ที่ถูกไฟไหม้เนี่ยคงจะรวมแล้วก็หลายสิบล้าน ผู้จัดการก็มารายงาน c o นะคุณฤทธิ์ทรโกเมนซึ่งครอบครัวเนี่ ย, ม เ, ม เ, ยเป็นหุ้นใหญ่ของ n k ผู้จัดการก็เล่าด้วยรายงานด้วยความเสียใจสีหน้าไม่ดีเลยแต่คุณฤทธิ์เนี่ยแกนะฟังแล้วก็ยิ้นแล้วก็บอกว่าเหมือนกับเป็นการนะปลอบใจ ร้านเราถูกเผาไปสี่สาขาแต่เรายังมีต้องสามรอยี่สิบก็คือยังมีสามร้อยสิบหกที่ยังดีอยู่คนนึงสนใจในไอ้สี่สาขาเนี่ยที่ถูกเผาอีกคนหนึ่งมองว่า เ, ออเรายังมีต้องสามที่ยสิบหกที่ยังปกติและ้จะทุกประาทำไมคนมองลบเนี่ยเห็นแต่สี่สาขาที่หายไปคนมองบวกมองว่ายังมีต้องสามสิบหกที่ยังมีอยู่ เนี่ยคือความหมายหนึ่งของการมองบวัวที่ใต้วันนี่มันมีผู้หญิงคนหนึ่งนะอายุสาสิบเธอเกิดมาเนี่ยีิการสมองทำให้ทำให้พูดไม่ได้แล้วก็เดินไม่ได้โชคดีนะที่เธอที่แม่ให้เธอเกิดมามีแม่อลไรคนเนี่ยถ้เห็นรูปเป็นอย่างนี้เนี่ยก็คิดว่าคงไม่อยากเกิด หลวงมเมหลิงเนี่ยเกิดมาเนี่ยนะท่านพิการเนี่ยแต่สุดท้ายเลยนะเธอก็สามารถเรียนจบปริญญาเอกมาวิาลัย UCLA แคลิฟอร์เนียสมองพิการนะอัตมาสมองไม่พิการยังเรียนไม่มีปริญญาเรียนปริญญาเอกเลยได้แค่ปริญญาตรีตเธอได้รับเชิญให้ไปบรรยายเพื่อให้กำลังใจผู้คน คานึงเธอไปพูดที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งมีคนถามนักเรียนมัธยมถามเธอว่าเธอเกิคุณเกิดมาพิการเนี่ยคุณรู้สึกกับตัวอย่างไรคุณมองตัวเองอย่างไรห้องประชุมเงียบกริบแบบปกติเขาไม่ถามคนพิการตรงๆแบบนี้หวังมเมลินก็ยิ่งแล้วเธอก็หาไปเขียนที่กระดานเธอเธอเลคเชอร์ด้วยเธอบรรยายด้วยการเขียนกระดานเธอเขีย ว, ว่าเนี่ยฉันมองตัวเองอย่างไร ไล้วเธอเขียนหนึ่งฉันเป็นคนน่ารักนะสองพ่อแม่รักฉันสามพระเจ้าก็รักฉันเธอเป็นคริสสี่ฉันมีเรขาที่สวยงาม 5. ้าฉันมีแม่ที่น่ารัก 6. กฉันว่ารู้รักษะตังสือได้ข้อที่เจ็เนี่ยเป็นข้อสุดท้ายเนี่ยที่สรุปมุมมองของเธอฉันมองเห็นแต่สิ่งที่ฉันมีฉันไม่มองสิ่งที่ฉันไม่มีเข้าใจไหม หลายคนเนี่ยเป็นทุกข์เพราะเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มี iPad ไม่มี iPhone ไม่มีรถนะนะหรือว่าไม่ไม่มีรูปร่างหน้าไม่มีจมูกที่สวยนะเหมือนเพื่อนนะไม่มีผิวที่ขาวเหมือนเขาทั้งนี้ตัวเองมีทุกอย่างนะ มีครอบครัวที่ดีสุขภาพก็ดีการเรียนก็ดีนะกิมอินนอนอุ่นแต่แค่ไม่มีอย่างสองอย่างนะไม่มีผิวที่ขาวไม่มีจมูกที่สวยกิมไม่ได้นอนไม่หลับนะเป็นกันเยอะมากนะอันนี้เรามองลบไม่มองบวกนะมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่ไม่มีไม่เห็นสิ่งที่มี มองเห็นแต่สิ่งที่เสียไปไม่มองเห็นสิ่งที่ได้มาซิโกโ้เกย์สาวศรนาเมืองก็เป็นตัวใหญ่ตัวอย่า ง, งนะซิโก้เนี่ยพวกเรารู้จักดีใช่ไหมตอนก่อนที่เขาจะมาเป็นโค้ชทีมชาติเนี่ยขเขาเคยเป็นนักฟุตบอลระดับซูเปอร์สตาร์นะประสบความสําเร็จในเมืองไทยก็ไปค้าแข่งที่เวียดนามสิงคโปร์มาเลเซีย ก็สำเร็จแล้ววันหนึ่งสโมสรอังกฤษดเวชั่นหนึ่งสมัยนั้นเป็นดเวชั่นนะเป็นดเวชั่นหนึ่งะไม่ใช่ทรีมเมริ่ก็มาซื้อตัวเข้าไปว่าเป็นข่าวใหญ่เมื่อสิบหสิบเจดปีก่อนนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยอยากจะเห็นนักฟุตบอลไทยไปแข่งในฟุตบอลที่อังกฤษและนี่ก็เป็นความฝันซิกโก้ซิกโก้ปชนอังกฤษเนี่ยเปิดรูการแข่งขัน ตัวแล้วจนรอดก็ยังไม่เคยได้ลงสนามสักทีเลยได้แต่นั่งอยู่ข้างสนามเป็นตัวสํารองจนปิดฤดู ก, กาลเขาผิดหวังมากเขาเสียใจเขาเครียดสุดท้ายเขกลับเมืองไทยรู้สึกว่าเป็นการไปทางนั้นสูญเปล่าเสียเวลาเวลาใครสัมภาษณ์เขาเขาเขาจะไม่อยากพูดเรื่องนี้แต่ผ่านไปหลายปีเนี่ยมีคนสัมภาษณ์เขาถามเขาเรื่องนี้เขายิ้มเ้าก็บอกว่า มันไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอกนะไม่มีอะไรเลยผมคิดไม่ออกผมมองไม่เห็นมองไม่เป็นแค่สัจกรบบารทอธิบายเนี่ยไปยังกี่ยว้ามมีได้ก็ได้ได้บ้านได้ภาษานะได้รถยนต์นะได้พัฒนาร่างกายนะได้พบปะคนมากมายได้ท่องเที่ยวได้เห็นมุมมองใหม่ๆ ได้สัมผัสเหียที่มีซีซาร์นิสุด ใ, ในอังกฤษเสี ย, เ ง, ยงเดียวคือไม่ได้ลงสนามตอนนั้นไม่เห็นสิ่งที่ตัวเองได้เห็นแต่สิ่งที่ตัวเองเสียหรือสิ่งที่ตัวเองไม่ไ ด, ขขไได้ก็คือไม่ได้ลงสนามแต่เวลาผ่านไปแกก็เห็นเออเราได้เยอะนะไปอังกฤษข้างนั้น เ, เห็นแต่เสียเนี่ยคือมองลบ เ, เห็นว่าสิ่งที่ตัวเองมีหรือสิ่งที่ตัวเองได้เนี่ย มีอะไรบ้างเนี่ยคือมองบวกมองบวกไม่ได้แปลว่าอนาคตสดใส ช, ช่วงช่วงเฉาชวางนะแต่มองเห็นถึงสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วคนเราเนี่ยถ้ามองบวกนะเจอทุกนะเจอทุกยังไงเนี่ยนะมันก็ยังยิ้มได้มีพียงคนหนึ่งนะ เธอเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ปลายประสานไอ้กล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่ก็หายากแล้วนะแถมเป็นที่ปลายประสานดิเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้เธอที่การตอนที่เธอเริ่มที่การเนี่ยพ่อเนี่ยต้องปุ้มเธอไปไปเรพาไปห้องต่อหลังต้องให้ให้ขึ้นขี่ขี่หลังไปเรียนหนังสือต่อหลังพอเธอเป็นวัยรุ่นเนี่ยตัวหนักขึ้นพ่อก็แก่ตัวปุ้มไม่ไหวพาไปโรงเรียนไม่ไหวก็ให้นอนอยู่บ้าน แลวการจะแยกมยนกระทั้ง ย, ยังขยับไม่ได้นะแล้วโรคนี้เนี่ยทำให้การหายใจมีปัญหาเธอหายใจได้แค่สิบเปอร์เซ็ของคนปกติกลายเป็นคนที่นอนรอวันตายหมอบอกว่าเธอจีได้ไม่เกินยี่สิบเธอก็ยี่สิจะยี่สิบเก้าแล้วลจู่ๆวันหนึ่งเนี่ยนะมีคนอ่านนี่ยาให้เธอฟัง เธอก็เกิดกำลังใจเกิดไฟอยากจะเขียนนิยายเธอพิมพ์คอมพิวเตอร์ไม่ได้เธอก็ใช้โทรศัพท์มือถือพกติคนเราโทรศัพท์มือถือเราต้องจิ้มหรือใช่ไมแต่เธอจิ้มไม่ถนัดเธอต้องใช้อย่างนี้เปจิ้มะ่ะทีละตัวทีละตัวเธอเขียนนิยายเอาไปขายเพราะว่าขายได้เงินเธอก็เลยเขียนใหญ่เลย นิยายที่เธอพิมพ์เนี่ยของเธอเพิมพ์มาแล้วสิบสี่เล่มเชื่อไหมคนที่คนที่เคยเป็นเหมือนเป็นภาระของครอบครัวเนี่ยทุกวันที่การเป็นเสาหลังของครอบครัวเพราะว่าเงินที่เธอหามาได้เนี่ยส่งเสียน้องเรียนหนังสือนะและ้วก็เงินที่เธอหามาได้เนี่ยก็ตูนเจือครอบครัวเพราะพ่อเสียชีวิตแม่ก็ตกงานกลายเป็นสาหลังครอบครัวนะ คนที่ช่วยตัวเองไม่ได้เลยเธอพูดให้น่าสนใจอนยะ่างนี้ยเธอบอกว่าความทุกข์กนี่มันเดียร์ความสุขนะความสุขมันทําให้เราฟุง้งทําให้ร่องเราล่อง ร, รอยแต่ความทุกข์มันทําให้เราอยู่กับตัวเองทําให้เราอยู่กับความเป็นจริงความทุกข์มันเดียร์ความสุขเยอะเลยคนที่คิดอย่างนี้ได้ต้องมองบวกนะคือมองเห็นประโยชน์ของความทุกขนะ์อีกคนหนึ่งนะคนเมื่อกี้ชื่อชื่อชื่อพราวอีกคนนึ่งชื่อใหม่เป็นมะเร็ง เป็นมะเร็งเนี่ยนะก่อนที่เธอเป็นมะเร็งเเธอเป็นโรคซึมเศร้าหลังนีถ้าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เป็นมะเร็งอีกนะมันจะแค่ไหนแต่ปรากาเธอกับเธอกับดีใจที่เป็นมะเร็งนะเธอบอกว่าพอเป็นมะเร็งปุ๊บนี้โรคซึมเศร้าหายเลยเธอบอกไอ้มะเร็งเนี่ยมันน่ากลัวน้อยกว่าโรคซึมเศร้าเยอะโรคซึมเศร้านี่มันทำให้เธอเธอเธอว่าถ้าเธอไม่เป็นมะเร็งเธอตายเพราะโรคซึมเศร้าไปแล้ว ก่อนหน้านั้นเธอเพียงฆ่าตัวตายมาสามครั้งเพระโรคซึมเศร้าแต่พอเป็นมะเร็งนั้นโรคซึมเศร้าหายเลยนะหมอยังทักเธอว่าตั้งแต่เธอเป็นมะเร็งนะทัศนคติ ก, การมองโลกการมองชีวิตเธอเปลี่ยนแปลงไปเธอก็บอกเธอเพื่อคล้ายๆกับคนที่ชื่อแพรวนว่าเพราะการเป็นมะเร็งนี่มันทาให้เราได้รู้จักตัวเองแล้วก็ได้สามารถจะรับมือหรืออยู่กับโลกได้ ได้ดีขึ้นอย่างนี้นที่เธอเห็นคือมะเร็งเนี่ยทำให้โรคซึมเศร้าหายแค่นี้เธอก็มีความพอใจแนละ้วคือคนเรานี่ถ้าเราถ้าเรามองบวกนะมันจะเป็นภูมิคุ้มกันความทุกข์ได้เป็นอย่างดีแม้จะเจออะไรก็ตามเดีย๋ยวคนหนึ่งเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งสมองนะจิตอาสาไปเยี่ยม เธออายุสิสี่นะเด็กนะตอนที่ไปเยี่ยมเนี่ยเด็กคนนี้ก็ผมร่วงหมดแต่ว่าเธออารมณ์ดีนะเธอชวนจิตอาสาวาดรูปชวนคุยจิตอาสาก็แปลกใจว่าทําไมเธอร่าเริงคุยไปคุยมาเธอบอกว่าหนูโชคดีที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมนลูกมีญาติคนหนึงเป็นมะเร็งมนลูกปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองครับโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมอง มันเห็นเลยนะว่าคนเราเนี่ยเจออะไรไม่สำคัญทั้ง ว, ว่าเราวางใจอย่างไรเราเจอโรคร้ายแต่เราวางใจเป็นนะเช่นมองบวกหรือยอมรับความจริงได้เนี่ยใจมันสุขใจมันปปเป็นปกติคนทุกวันนี้เนี่ยนะไปไปหวังว่าไปคาดหวังว่าขอให้ฉันเจอสิ่งดีๆขอให้เจอโชคเจอลาบแต่ถ้าวางใจไม่ดีนะ คุได้ช่วงรากคุณก็ทุกเมื่อชาติ่อมาก็เล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะยุยี่สเอ็ดเมืม่อสี่ปีก่อนที่ไปชังกปรตเมื่อสี่ปีก่อนเธอถูกรักตตอรี่ได้เงินง 1, ประมาณหนึ่งล้านปอนด์ก็ประมาณสี่สิบห้าสิบล้านบาทโอ้เธอได้เงินเธอก็แฮปปี้เธอก็ซื้อนอนซื้อนี่นะชีวิตเธอดูมีความสุขแต่ผ่านไปสี่ปีนะชีวิตเธอแย่เครียดเธอบนว่าเนี่ย ชีวิตเธอถึกเลวร้ายลงใครมองว่าเธอเนี่ยน่าจะมีความสุขนะแต่เขาไม่เห็นความสุขในใจเธอว่าเธอมีความทุกข์รู้สึกแยกกับชีวิตมากนเะแล้วเธอทํำไงรู้ไหมเธอฟ้องบริษัทลอตโต้ที่เป็นบริษัทที่ทําที่ทําไอ้สรากนะเขาให้เงินเธอสี่สิบหนึ่งล้านปอนดะ์แต่เธอไปฟ้องเขาข้อหาทําให้ชีวิตเธอเลวร้ายลง <c oughs> จากไอ้เงินที่เขาให้เธอมา สี่สิบกว่าล้านปอนเอ้สี่สิบกว่าล้านบาทเนี่นะโหมันเป็นโชคนะหลายคนอยากได้โชคแต่ถ้าวางใจไม่เป็นทุกข์เนี่ยเนี่ยเราอะ่าไปจะไปมัวแต่แสวงหาโชคลาภหรือไปอ้อนวอนบนบานขอให้มีโชคมีลาภหรือว่าคิดแต่ว่าเมื่อไหร่ฉันจะเจอสิ่งดีๆเจอคนดีๆ นะเจอเจ้าหน่ายดีๆเจองานดีๆนะเจอชีวิที่ราบรื่นคุณเจอแล้วก็ตามเนี่ยถ้าใจคุณวางไว้ไม่ถูกนะหรือว่าจิตคุณไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีนะก็เป็นทุกข์เพราะนี่เรื่องการฝึกจิตนะการสร้างคุณภาพจิตทำให้จิตมีภูมิคุ้มกันที่ดีเนะี่ยใช่มีส ต, ตินะ รู้จักยอมรับสิ่งที่เป็นรู้เท่าทันความที่เราอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะรวมทั้งรู้จักมองบวกนะมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถจะรับมือกับความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้และเราจะสามารถเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นความสุขก็ได้เราสามารถนอกจากนอกจากทุกข์จะทาให้นอกจากอุปสรรคต่างๆทําให้ใจเราไม่ทุกข์แล้วเรายังสามารถหาประโยชน์จากมันนะ ใช่ไห้เป็นประโยชน์ได้นะทุกดานอกจากจะไม่ทุกข์แล้วเนี่ยนะยังได้ประโยชน์จากการคำด่าด้วยที่ทาวัดทากองเพลนนะของหลวงปู่ขาวเนี่ยสมัยที่หลวงปู่ขาวมีชีวิตอยู่นะ่มีแม่ชีท่านหนึ่งนะชื่อแม่ชีสาแม่ชีส า, น, สานี่อุปถัมภ์พระเด้นดีมากปฏิบัติก็ดีด้วยวันหนึ่งแต่วันหนึ่งเนี่ยไหม หลวงปู่ขาเนี่ยสั่งให้พาสองลูปไปรู้สิทธิ์ท่านเนี่ยไปด่าแม่ชีสาพาสองลูกที่ก็งงนะเพราะแม่ชีสาท่านก็ดีนะไปด่าทำไมแต่ว่าครูบาอาจารย์สั่งก็ไปไปที่กุติเรียกแม่ชีสาออกมาแล้วก็ด่าแมชีสาที่แรกก็งงนะแต่ว่าท่านตั้งสติได้ก็พนมมือฟังด้วยการสงบพาเนี่ยทั้งสองลูก ด, ด่าด่าจนไม่จะด่าอะไรแล้ะก็หยุด ไม่ชี้สาแทนที่จะโกรธนะหรือแทนที่จะน้อยใจโอ้เราทําดีทําไมกูบาอาจารย์มาว่ากับเราอย่างนี้ท่าไม่เห็นไปว่าใครเลยมาว่าแต่เราทําไมเราจะเข้ารู้เนี่ยคนอื่นรู้เนี่ยเราจะหน้าไปสุขวิทิตไหนถ้าไม่มีความถึงน้อยเนื้อต่ำใจท่านกับพึ่งมาว่าไม่ชี้สารอกว่าถ้าอาจารย์ดูดา่าดิฉันเนี่ยจบแล้วเหรอดิฉันฟังแล้วซาบซึ้งใจเหลือเกินเสียงด่าเนี่เสียงธรรมชาทั้งนั้นเลย คว า, านั้นที่มนุษย์มาด่าบ่อยๆนะกิเนเหลี่มที่ได้หมดสักทีไนะม่ยิ้มซาเนี่ยไม่ได้ทุกข์ไม่ได้โกรธกับคาําด่าอันนี้เป็นตัวอย่างนนะคาด่าไม่ได้ทำให้เราทุกข์จะทุกข์หรือไม่อยู่ที่ทัศนคติของเราอยู่ที่มุมมองของเราอยู่ที่การวางใจของเราถ้ามองว่าคําด่ามีประโยชน์นะช่วยขัดเกลากิเนเหล่ช่วยลดรากตาคําด่าก็จะไม่ทําให้โกรธ ฉันจึงบอกว่าเวลาเราทุกข์เวลาเราโกรธเวลาเราเศร้าเวลาหมดหินเนี่ยอยา่าไปโทษสิ่งภายนอกต้องกลับมาดูที่ใจของเรานะว่าใจเราเนี่ยนะมันวางถูกไหมวางใจถูกไหมมีสติหรือเปล่าพลุง่าคือมีภูมิคุ้มกันพอไหมถ้าไม่พอต้องสร้างเจริญสติบ่อยๆนะพยายามฝึกจากที่ประจําวันพนะยายามเจอความทุกข์ เจออุปสรรคมันจะได้ทำให้เราเข้มแข็งอดทนแล้วก็ฉลาดในในการปล่อยกันวางรมาก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะก็อะขอขอยุติเท่านี้มีเวลาอยู่บ้างสำหรับคำถามก็ขอเชิญได้ มันมีเลินได้เลิกกันประมายังซืนน้อมาแจกนะไม่ไม่ทราบจะพอป่ะกเ็เดี๋ยวก็พอเลิกกันแล้วเราก็มารับได้แล้วคนท่านนี้นะ โศนะคะที่ได้มีเมียตาง